เราปฏิบัติจิตภาวนาเราเตรียมตัวดูภายนอกใครเรียบร้อยเพื่อไม่ต้องกังวลทำความรู้เท่าทำความเป็นจริงภายนอกให้เรียบร้อยสถานที่ก็ปลอดภัย ไม่มีอันตารายจากภายนอกที่นั่งของเราก็เรียบร้อยพร้อมที่จะนั่งปฏิบัติกายของเราก็เรียบร้อยพร้อมที่จะนั่งจิตใจของเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติด้วยศรัทธาความเชื่อความเรื่องใสตัมกํำหนดทำไว้ในใจว่า ไม่ทางเดียวเท่านั้นแะเที่เราจะปฏิบัติดำเนินออกจากทุกข์ภัยได้คือด้วยปฏิบัติอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบ จิตใจจะสงบนั่นต้องสงบกายซะก่อนจากภายนอกก่อนกายของเราก็ต้องให้สงบก่อนให้สํารวมให้มันเรียบร้อยวาจาก็ต้องสงบต้องสํารวมอะไรเป็นวาจา ไปจาไม่ได้หมายเสด็เสียงที่ออกมาอย่างเดียวความตรึกอารมณ์ต่างๆความวิตกต่างๆก่อนจะพูดมันก็ออกจากความคิดความนึกตรึกต่องที่ส่งไปส่งนอกไปตามสัญญาอารมณ์ จิตที่สงบลงสงบไม่ได้ก็เพราะการคลิกพุ่งร้านออกไปนี่เองทันเรียกว่าเป็นสังขารของวาจาของคำพูดภาชนะ น, นี้ก็ต้องสำรวมทำความรู้เท่าเราเคยคิดไปส่งไปปล่อยไปมากตอมากแล้วไม่ได้เกิดสติปัญญา ในทางที่จะให้เกิดความสงบและความสุขอย่างแท้จริงอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเราเตรียมํารวมระวังขยับเข้ามาถึงํารวมใจของเราการรักษาใจของเรานี่ เราก็ต้องฉลาดต้องใช้อุบายในการรักษาด้วยอุบายเข้าใจทำความเข้าใจในตัวของเราเพื่อให้จิตใจของเรายอมรับการอบรม ใครเห็นคุณค่าของการอบรมเห็นประโยชน์ของการอบรมคือประโยชน์แก่จิตใจของเราเองแต่เพราะจิตใจนี่มีสิ่งที่บีบมีสิ่งที่รบกวนจากอย่างอื่นด้วยจิตก็สงบไม่ได้จิตที่สงบได้นะ่ะต้องรวมอารมณ์มาเป็นอันหนึ่งเสียก่อน ให้อยู่ในอารมณ์เดียวได้นานนานมันขาดจากอารมณ์ภายนอกาหรือจิตก็พร้อมที่จะสงบอจที่จะปล่อยวางทุกได้อารมณ์ยาบยานได้ถ้าหากมีเรื่องที่จะคิดต่อเนื่องไปจิตกกังวลต่างๆ ต, ต, ต่อเนื่องการไปจิตสงบไม่ได้ ต้องให้มีเรื่องอันเดียวเราจะเอาพุโทโธก็เอาเรื่องอันเดียวเฉเพราะ พ, พุโทโธเท่านั้นถ้าร้สายใครระสายอย่างนี้ได้จิตก็จะสงบแต่จิตสงบเราก็เสียท่าอีกอย่างหนึ่งมายาของกิเลสยังมีอยู่ยังไม่เสิ้นสุดเพราะอารมณ์เป็นหนึ่งยังไม่พอต้องมีสัมปชัญญะด้วยความรู้ตัวด้วย เพียงเต่สติอย่างเดียวนั่นพอได้อารมณ์เป็นหนึ่งแล้วทาไม่รู้ตัวแล้วมันสบายไปสบายไปมันลืมเกิดโมหะครองความแล้วก็หลับไปเลยอันนี้ความหลับนี่ฉันเรียกว่า น, นิวอณ์เครื่องไม่ให้ขัดขวางไม่ให้จิตได้สมาธิ เพราะฉะนั้นพอถึงความรู้ตัวเป็นหนึ่งแล้วเราก็ต้องทําความรู้ตัวให้มากมาอยู่ในที่นั้นจะให้เห็นความสุขเพราะเราเราเห็นว่าความเบาสบายพอจะถึงความสุขแล้วก็หลับเลยเพราะอันนี้มันทางนี้มันคล่องตัวเพราะมันเคยหลับมายาวนานมาแล้ว เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรักษาด้วยถ้าหากว่าจิตของเรามีอารมณ์คิดต่อเนื่องกันไปอย่างอื่นต่อไปต่อไปก็ไม่สงบเรียกว่าจิตพุ่งไปร้านไปเหมือนกับนอนหลับก็เช่นเดียวกัน ข่าจิตมันคิดไม่ยอมปล่อยวางมีอารมณ์เกิดต่อเนื่องกันในเราคิดตลอดไปตลอดไปก็นอนไม่หลับคนที่นอนไม่หลับนั้นมีอารมณ์ต่อไม่หยุดเลยเราอยากให้หยุดหน้าไม่หยุดให้หลับมันก็ไม่หลับนี่จิตของเรามันพึ่งไม่ได้เพราะเราสังเกตได้อย่างนี้แหละบางทีเราไม่ต้องการให้ังคิดต้องการให้หลับมันก็ไม่ยอมหยุด มันคิดอยู่อย่างนั้นจนอ่อนจนเคลียก็ไม่อยากหลับนี่จิตที่ไม่เข้าสมาธิไม่สงบได้มันก็มีเรื่องต่อเนื่องกันไปเรื่องอื่นไม่อยู่ในเรื่องที่เราต้องการเดี๋ยวจิตยังไม่ควรแก่ ก, การงานจิตยังไม่อ่อนอเรียกอะไรจิตยังไม่น้อมจิตยังไม่เบา จิตยังรับภาระอันอื่นยังไม่ปล่อยที่งภาระอันความยุ่งเหยิงในอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูเมื่อก่อนจะนั่จะหลับนั่นปรเดี๋ยวมันจับอารมณ์มันไดอันหนึง่งพออยู่เป็นหนึ่งแล้วมันจะเคลิบแล้วทีคืออารมณ์มันไม่เกิดต่ออีกมันไม่กลุ่มต่อไปอีกอันนี้จิตจะหลับถ้ายังต่อไม่หยุดนั่งไม่หลับ ฉันได้เราจะภาวนาเราก็สังเกตได้เราก็ทําเหมือนกับเราจะจะนอนอย่างนั้นนะแต่ไม่ให้หลับลืมโมหะไปที่เดียวแต่เราทําอารมณ์ให้น้อยทําความคิดให้น้อยละไปละไปละเอียดไปจนเหลืออารมณ์อันเดียวขาดจากอารมณ์ภายนอกที่ท่านเรียกว่าวิวิเจวะกามีคือมันขาดจาก กามคำว่ากามนี่คืออารมณ์ที่เราพอใจได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้กลิ่นได้รสได้โผล่จัะได้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตของมันเองอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตสัญญามันสัมะยุตมาปูุมาแต่ให้เราคิดไม่หยุดอยู่ เพราะลาพังของจิตแล้วมันก็ต้องเที่ยวอยู่ในกามารมณ์อย่างนี้เรียกว่าจิตอยู่ในกามาพบมันก็ติดอยู่อันนี้ให้มันหยุดคิดหยุดนึกมันถอนมาได้ยากเพราะฉะนั้นต้องอาศัยสติอันเข้มแข็งให้เป็นกําลังในการที่จะระลึกว่าไม่มีประโยชน์เราไม่เอา ให้ระลึกพุทธโธอย่างเดียวให้จิตนี่พักผอดไม่ให้เกี่ยวข้องเรื่องอืนอ่นเอาเฉพาะอารมณ์อันเดียวซะก่อนเพื่อจะให้มีกำลังใจในการที่เราอบรมจิตให้สงบเพราะจิตสงบนี่เป็นความสุขส่วนหนึ่งเมื่อมันสงบกอกจากอารมณ์ภายนอกแล้วแต่ก็ยังมีอารมณ์ภายใน เกิดขึ้นในใจเองเรียกว่าธรรมอารมณ์ก็หมายถึงกิเลสที่ขัดขวางก็เกิดขึ้นจากในจิตใจนั้นเอ ง, เองมันสร้างขึ้นมามันเรียว่าคามฉันทะายังพอใจมีความพอใจในยึดมั่นในอารมณ์ที่เราชอบเราติดอยู่ไม่อยากแะละลึกพุทธโธ มันอยากจะไปคิดเรื่องอื่นบางทีอารมณ์ไม่ดีที่ติดมาเกิดความไม่พอใจเขียดแค้นเียบบาทอันใดอันหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีอยู่ในจิตใจอารมณ์ร้อนหรอนั้นเวลามาภาวนาก็ยังติดค้างอยู่อารมณ์ เพราะฉะนั้นในวันหนึ่งหนึ่งท่านจึงสอนไม่ให้มีเรื่องมีราวไว้จับรวมระวังต่หากมันมีขึ้นมาแล้วเกิดอยู่ในใจแล้วเวลาภาวนามันมารบกวนเหมือนกันมันไม่แล้วเวลาจิตจะสงบรเริเนั่นมันโผล่ขึ้นมาออกหน้าออกตาให้เราคิดใจไม่ดีขึ้นมาเป็นอารมณ์ที่อยาก เมื่ออารมณอยากจย่นี้เราจะเข้าประตูสมาธิไม่ได้แต่มอนกับเราเบบของพรูดพระรังมันเข้าประตูจำกัดไม่ได้เราจะเข้าประตูที่เหมือนแค่จำกัดไปได้ใ่ตัวเราคนเดียวจะเอาของอันอื่นไปมากไม่ได้ไปตามระดับ เพราะฉะนั้นเราจะเข้าสมาธิเราจะไปเบรกสิ่งเหล่านั้นไปด้วยไม่ได้เอาอารมณ์อื่นๆไปด้วยไม่ได้ไปได้เพราะเราจะไปตามพุทโธพาเราเข้าไปเพราะฉะนั้นเราต้องตามจะให้ทางจากพุทโธถ้าไม่มีพุทโธล้วก็เข้าไม่ได้ให้เราตั้งอนัตตาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้แล้วก็ระลึกพุทโธ อย่างเดียวละลึกไปละลึกไปจิตค่อยรวมไปรวมไปอารมณ์ค่อยละเอียดไปอารมณ์ที่มันสร้างอยู่ทั่วไปตามปกติที่มันรับสัญญาจากขันอันนี้นโดยเฉพาะอย่างยิ่สิ่งที่ก่อกวนก็คือเราไม่พอใจในการที่จะเรามานั่ง โดยไม่กระดกกระดิกนั่งเฉย อ, อย่านี่เพราะจิตของเรามันชอบคิดชอบนลกชอบนองชอบร่างกายก็ชอบเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเมื่อให้นั่งอยู่เฉยๆแล้วอะเดี๋ยวก็รู้สึกรลำคลานรู้สึกไม่สบายสิ่งเหล่านี้แหละก็ปวดจิตใจของเราให้การสงบของเราเนินชาอยู่ได้นา ถ้าเราสติของเราเป็นใหญ่ครอบงำเหนือสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะได้สงบส่วนผู้ที่ฝึกหัดได้ความสงบโดยมยายาเราจะไปติดอยู่ในสงบในสุขโดยนั้นก็อยางไม่ไม่ควรจะติดสดหรับผู้ที่ภาวนามานานจิตเคยสงบแล้ว จิตถึงความสบายแล้วพอไปสงบได้ฐ า, านกำลังพอสมควรแล้วเราจะต้องทำงานที่นี่งานของธรรมอันนี้ก็คือร้างปัญญาเพื่อกำจัดสิ่งที่เรา ยังไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับสมุทัยซึ่งเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเพราะเราภอวนาต้องการออกจากทุกข์ สมมติไทยนี่เราจะเห็นได้โดยไม่ง่ายเลยเพราะอะไรเพราะมันเข้ากับเรามันกลืนอยู่กับเราเราชอบเราปรารถนาเราต้องการเราินดีเรามีเราได้เราเข้าอยู่เกลือนอยู่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ มามองโัวที่ความรู้สึกไม่สบายคือทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกายที่เรานั่งอยู่นี่แหละบางทีทุกข์มันเกิดขึ้นเจ็บปวดเกิดขึ้นความรู้สึกเกิดขึ้น หรือถ้ า, ถายังไม่รู้สึกก็ตามแต่เราได้ยินว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์เราก็ยกลายขึ้นที่เจ้าเพื่อให้เราเห็นทุกข์ความไม่มั่นคงถาวัฏ เพราะมันไม่เที่ยงของรูปเราใช้อุบายความไม่เที่ยงที่มันเปลี่ยนแปลงเดียวหิวเดียวร้อนเดียวหนาวเดียวเย็นเดียวนี่มาสัมผัสก่อกวนเราไม่อยู่ตลอดวันทัาสติของเราดีเราเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยทั้งนั้น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้เรามีสติเพื่อจะได้รู้ความเปลี่ยนแปลงที่ทำมาก่อกวนจิตใจให้จิตใจเกิดอุหงิดเกิดไม่ดีเกิดความปรารถนาเกิดความอยากได้มาบำบัดมาแก้ไขที่เราอยากได้รูปงามๆก็เพื่อมาให้เกิดความปลื้มใจเพื่อมาแก้ทุกความลำคานในใจ ที่จะได้เสียงอยากได้กลิ่นอยได้รสจะได้โหดท่พะต่างๆก็เพื่อมาบำรุงแก้ไขปัญหาทุกข์เหล่านี้แต่แก้ปัญหาวิธีนี้โลกเขาแก้มานานสะสมมานานแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะความทุกข์จริงๆแล้วไม่ใช่อยู่ในการที่ ไม่มีสิ่งเหล่านั้นอย่างเดียวพระองค์มาคนพรมทุกจิงจีนแล้วมาอยู่ที่จิตหลงสิ่งเหล่านั้นต่างหากเพราะฉะนั้นท่านจึงสร้างปัญญาขึ้นมาไม่ให้หลงยินดียึดมั่นจนเกินไป เกิดตั้นหาความอยากไม่มีเมืองพอความอยากเกิดขึ้นแล้วมันก็ลืมบุญลืมบาปลืมนรกลืมสวรรค์ในความบาปไม่มีบุญไม่มีทะได้นั้นไม่ความสุขได้มากมากจะไม่ความสุขมากความจริงที่พระพุทธเจ้าคนพบไม่ใช่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงจิตสงบอยู่จิตพอดี มีพอดีรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักขอบเขตของการกระทําแล้วมาอบรมจิตใจไม่ให้หลงสิ่งเหล่านี้นี่เป็นความสงบสุขแท้จริงสดับพูดที่ภาวนาจิตสงบสงวรแล้วอยากจเจริญปัญญาเรียกอิปัสสนาต้องเห็นในขันธ์ทั้งห้าเนี่ยความไม่เที่ยง เมื่อไม่เที่ยงแล้วนั่นก็เป็นทุกข์เพราะเราไม่ยึดถือถ้าเราไม่ยึดถือหร่มันก็ไม่มีทุกข์เพราะเราไม่หลงพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์เพราะมารู้ความจริงแล้วพระองค์ปล่อยวางเมื่อเราโดยจนฝึกจิตใจจนเข้าใจความจริงอันนี้ถูกต้องแนละ้วจิตตั้งอยูนในธรรมแล้ว ท่านให้ทำบางเกิดขึ้นเห็นภายนอกบ้างเห็นภายในบ้างเห็นความไม่เที่ยงของภายนอกบ้างภายนอกก็ไม่เที่ยงภายในร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงจะต้องทำจะต้องสร้างจะต้องแสวงหามาอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเปลี่ยนแปลง แต่ความที่เราได้มาเพิ่มใหม่เพิ่มใหม่นี่จะทําให้เราเพลิดเพลินทําให้เราหลงปิดบังอันปิดบังอันนี้จังเหมือนกันปิดบังไทรลักษ์เหมือนกันให้รู้ตามความเป็นจริงเมื่อจิตใจเป็นธรรมแล้วมันสามารถจะมองภายนอกให้เป็นธรรมเห็นใบไม้อ่อน ปัญญาเม่กวีนพลวดไปถึงใบไม้แก่จนถึงร่วงอยู่ในดินมันไม่ติดอยู่ในอ่อนงาวงเท่านั้นมันจะต้องวิ่งไปเห็นความอ่อนอกำลังเกิดขึ้นของใบไม้หรือของดอกไม้หรือกลิ่นหอมต่างๆเมื่อปัญญาเมื่อเกิดขึ้นมันไม่ได้ติดอยู่ในของหอมเท่านั้น มันก็ดอกไม้ที่หอมๆแล้วที่สวยๆเงามๆมาใสา่แจกันแช่ลงไปในแจกันเวลาดอกไม้เหี่ยวไปแล้วเน่า ไ, ไปแล้วน้ำในแจกันมันมึนเหม็นไม่น่าปรารถนาแล้วมันเหี่ยวแห้งไปแล้วไม่มีใครต้องการในถ้ า, าก็ผู้ที่เจริญวิปัสสนาแล้วแม่เห็นภายนอกก็ น, น้อมมาใัยตัวของเรา มาเห็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวของเราสิ่งที่สร้างทุกข์สร้งโทษเกิดขึ้นในตัวของเราจนสามารถที่จะเบื่อหน่ายเห็นความทุกข์เห็นความร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสิ่งหลอนนี่แล้วความร้อนที่ใดทุกข์หลอนนี้ไม่ใช่อื่นไกลก็คือจากสิ่งที่เราไม่รู้ความจริงนี้เอง เมื่อมารู้ความจริงจิตก็เบิกอนายจิตก็ปล่อยวางได้จิตก็สงบได้อย่างสบายไม่ติดอะไรอะไรไม่ถืออะไรเป็ น, นเป็นของตนนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำสมาธิมีสติได้พื้นฐานได้จิตใจสงบแล้วในขั้นเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันสนงม เชิญนพัฒนานี้ไม่เฉพาะนั่งอย่างเดียวในอุญญาตบทในไหนก็เกิดได้ความบรรลุธรรมของพระอริยะเจ้าทั้งหลายไม่ได้บรรลุเฉพาะในที่นั่งอย่างเดียวบางทีกําลังเดินไปที่เจนาไปเพราะจิตมันเห็นสลดสังเวชเกิดเบื่อหน่ายแล้วมันตัดขาดเลยถ้าหากว่าปรมีสมบูรณ์บริบูรณ์ปัญญาองค์มากเก่งกล้าแล้วสามารถจะตัดสินให้พ้นจากทุกได้ ในอิรยาบทต่างๆเมื่อใดเลือกการสถานที่เมื่อใดเลือกเวลานั้นเวลานี้อิรยาบทนั้นอิรยาบทนี้หรือสถานที่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้เลือกเลยมืเอเปล่าเจอด้วยปัสนาขอให้เจิญให้จิตได้พื้นฐานพลังจากสมาธิความสงบพอเป็นพื้นฐานตอนทางจิตให้สงบเพราะจิตเคยกระโ วิ่งเต็มเหมือนกับริงใจหยุดเฉยๆก็ต้องใช่อุบายพอสมควรจึงจะสงบแต่ถ้าไม่ได้สมาธิแม้เราพิจารณาก็รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้แต่ความเข้าใจรู้เห็นที่จิตไม่มีสมาธิเหมนมันนั่นโคบ่มันหลงหลืมง่ายไม่สามารถที่จะเอาชนะเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้น เพราะไม่หมีสมาธิปัญญาไม่ตั้งมั่นสติก็ไม่ตั้งมั่นปัญญาที่เกิดมาขึ้นแก้กิเลสมันก็ไม่ตั้งมั่นสู้กิเลสไม่ได้เพราะกิเลสมันมีฐานมั่นคงกว่าเพราะฉะนั้นเราจะรู้อสุภะเราจะเห็นอสุภะเท่าไรด้วยความคิดความนึกแต่กิเลสมันเกิดขึ้นแล้วมันลืมหมดเนี่ยเพราะมันขาดสมาธินี่เองสติในทางสมาธิมันไม่มั่นมันไม่ได้มาต่อสู้กัน มันหลบหนีนะมันกำลังออดมันไม่สู้สติก็ไม่สู้ปัญญาก็ไม่สู้เพระะนนปัญญาที่ดีสติที่ดีต้องได้สมาธิฝึกให้สงบเสียก่อนให้ได้ฐานอัน้เสกอดแต่หาก็ไม่ต้องอาศัยสมาธิแล้วใครก็เห็นตาก็เห็นหูก็ได้ยิน สิ่งที่ไม่สะอาดอันนี้จังทุกขังอนาตตาไม่เที่ยงมันอยู่ตลอดเวลาทาไมทําไม่ไมพ้นทุกใครก็รู้ใครเห็นก็เพราะอะไรเพราะกําลังสติที่จะเอาชนะสิ่งที่เราหลงเคยหลงมาก่อนมันมีพลังสูงกว่าเพราะฉะนั้นจิตกิเดชเหล่านั้นมันกลัวจิตที่มั่นคงกลัวจิตสมาธิ ที่มีความเพียรชอบที่มีสติชอบที่มีสมาธิชอบที่มีศรัทธาเชื่อมัน่นที่มีปัญญาที่เกิดขึ้นจากสมาธิอันชัดแจ้งอันนั้นมันมั่นคงกิเลสใดๆจะมาทำลายปัญญาอันนั้นไม่ได้จะทำลายสติอันนั้นไม่ได้ พอมันเกิดขึ้นและสติมันล็ดุ๊กพดไปเลยมันเห็นสมมติว่าราคามันจะเกิดมันไปเห็นโครงกระดูกมันไปเห็นของเน่าแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเห็นเน่าอยู่ตลอดเวลาเห็นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันเกิดขึ้นไม่ได้ โทสะมันจะเกิดมันเห็นโครงกระดูกเห็นนี่แล้วมันก็จะโทสะให้ใครมีประโยชน์อะไรเห็นแต่ทุกมันเกิดขึ้นไม่หน่อยนี่ถ้าปัญญาวิปัสสนาได้สมาธิอย่างสมบูรณ์นะมันยืนยันอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่ามันเห็นทุกอย่างตลอดเวลามั่นคงในอรยิยสัจธรรมเรียกว่าผู้เห็นอรยิยสัจธรรมคือทุก อย่างมั่นคงแล้วสมุทัยจะไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นไล้ตัณหาจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกนี่จะต้องอบรมจิตให้ให้ฉลาดปรินญ ย, ยันติเมพิเเวชันปรินญยายปัญญา กรอบรูปไม่ใช่ธรรมดาถ้าอบรมนี่มันฉลาดกว้างตัวแล้วจิตใจจะนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเขาวุ่นวายเพราะความอยากได้เราสงบสุขเขาวุ่นวายเพราะของที่ผักผัอยากไปหมดไปสิ้นไป แต่เรามีความสนุกสุขไม่เดือดร้อนเพราะอริยสัจของจริงมันตัดชิ้นขาดไปหมดแล้วเราจะมาสงสัยอะไรอีกจะมาเสียใจเดือดร้อนอะไรอีกไม่มีแล้วขอให้เรานะ้กภาวนาผู้ที่ต้องการปัญญาอันมีเพื่อนฐานอันมั่นคงพยายามทำความเปลี่ยนจิญสติ เกิด ค, ความเพียรชอบสมาธิชอบอบรมจิตให้มีกำลังเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงรับยากผู้ที่สั้งใจภาวนาเพื่อแก้ไขปัญหาทุกทั้งหลายที่ทำให้จิตหมัวหมงทำให้จิตลงหลานเราต้องแก้ไขด้วยรับการภาวนาทางเดียวเท่านั้นที่จะ ทำให้จิตนี้บริสุทธิ์ได้ทำให้จิตนี้สงบได้ทำให้จ right ิตนี้สะอาดได้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจดจำวิดีตั้งใจปฏิบัติอบรมต่อไปนิพพานต่อแจกจจงอธิบาย